ทรงบัญญัติสิขาบททีนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระชนะโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้